สมมติว่าเราฝันฝันความฝันนะมีความฝันข้างหนึ่งของเราจะเป็นของคุณหมอรัตพงศ์หรือของท่านผู้ฟังเนะ่ยใครที่ฟังรายการนี้อยู่ก็ถือว่ามีความฝันนี้คือมีบุรุษคนหนึ่งคุณหมอรัตพงศ์เขาก็มาใส่ชุดดําทั้งชุดเลยลเป็นคนที่แต่งตัวคล้ายๆกับเป็นนักรบใส่ชุดดําหมดเลยนะมีขาคลุมมีอาวุธอะไรครบมือใส่เขาเรียกว่าหน้ากา ก, ากแล้วก็ หมวกสําหรับไปออกรบอย่างนี้นะเป็นของสมัยโบราณเขาก็เดินเข้ามาเราในฝันนี้ในฝันก็เดินเข้ามาตึงตึงตึงเดินเข้ามาเสร็จก็บอกเราว่าด้วยเสียงอันเย็นจะเยือกจับใจเลยนะเสียงของบุรุษผู้นี้บอกว่าตัวเขาเนี่ยคือมัจจุมานนะเป็นมารผู้ที่สามารถเอาชีวิตเราได้บอกว่าเราเนี่ยจะมีชีวิตอยู่12เดือนนะด้วยเสียงน้ําเสียงอันเย็นจะเยือกเลยนะเข้าไปในใจเนี่ย พอบอกว่ามีชีวิตอยู่12เดือนเนี่ยจะมาเอาชีวิตของเธอไปความตายจะมาถึงเธอจะตายด้วยโรคอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งหรือว่าป่วยตายได้รับอุบัติเหตุแต่มีเวลาแค่12เดือนเสร็จปุ๊บพอเราฝันอันนี้เสร็จตกใจตื่นขึ้นมางงๆอยู่แล้วก็ตกใจด้วยนะเอ๊่นี่มันอะไรไม่รู้จริงหรือเปล่าแล้วก็ไปถามกับคนอื่นๆท่านผู้ฟังท่านอื่นก็พูดเหมือนกันเอาฝันแบบเดียวกันเลยหมอรัฐพงศขาฝันเหมือนกันอารมาเขฝันเหมือนกันทุกคนเขฝันเหมือนกันอย่างนี้ที่ฟังรายการนี้อยู่ บอว่า <c oughs> ทุกคนเนี่ยก็เสื่มันว่าเอ้ยฉันจะมีเวลาอีกสิบสองเดือนจริงๆกว่าจะตายใช่ไหมต้องถาม <c oughs> ทุกท่านอย่างนี้นะว่าถ้าเรามีเวลาสิบสอเดือนจริงๆกว่าจะตายจนถึงวันตายจากเนี้ยเรารู้แล้วว่าเราจะมีชีวิตอยู่อีกแค่12เดือนพอดีพอดีนะมัจจุมานจะมาเอาชีวิตของเราไปใน12เดือนเนี้ยคุณจะทําอะไรคุณจะทําอะไรคิดดูให้ดีนะจะไปหาใคร <c oughs> จะไปทํางานไหม จะคุยกับใครจะเดินทางไปที่ไหนจะทําอะไรบ้างบางคนอาจจะคิดว่าเออทำอาจจะเขียนหนังสือสักเล่มหนึง่งนะเ อ, อ๊แล้วก็อาจจะไปเที่ยวรอบโลกหรือทําอย่างนั้นอย่างนี้นะไปหาพ่อแม่ไปต่างจังหวัดไปอะไรกันแล้วแต่บางคนอาจจะไม่เชื่ อ, อ ง, งั้นเดี๋ยวฉันไปหาหมอดูก่อนนะว่าเ อ, อ๊ะวิธีนี้มันจะมีแก้ไขไหมบางคนไปสดอบข้ออะไรต่างๆนะคิดให้เรียบร้อยแล้วตัดสินใจว่า1 น, นาทีจากนี้จะทําอะไร สมมติเราคิดให้เรียบร้อยแล้วหนึ่งนาทีจากนี้ฉันจะทำอะไรนะคิดไว้อันนี้เป็นชุดคำตอบของที่คุณจะสามารถใช้งานได้เวลาที่ถึงเหตุการณ์จริงๆนะทีนี้พอคืนต่อมาคืนต่อมาคืนนี้แหล ะ, ะคืนนี้ไปนอนเสร็จปุ๊บปรากฏว่าชายคนเดิมนะมาจุมารเดินมาเลยด้วยผ้าคลุมชุดดำเย็นเยนะือกหน้าก็ไม่เห็นเพราะใส่หน้ากากปิดอยู่ใส่หมวกแบบนักรบอย่างนี้นะเป็นชุด เครื่องคราวชิ้นนีที่ว่าเหมือนกับนักรบสมัยโบราณที่อลังการมากแต่เป็นสีดำหมดนะแล้วก็มาแล้วก็พูดด้วยเสียงอันเย็นจะเยือกอีกบอกว่าไม่ให้ละ12บเดือนเอาไป7วันพ อ, ใ, อให้เจวันพอเจวันจากนี้ฉันจะเมาชีวิตเธอเราสะดุ้งตื่นตรงใจตื่นขึ้นมาเนี่ยโอ๊ยตายแล้วคราวนี้7วันยีงเหรอเอา7วันจะทาอะไรหมอทวดเวันนี้เขียนหนังสือไม่จบนะ เพราะฉะนั้นเไม่จบครับตัดสินใจเรื่องเขียนหนังสือนี่คงไม่เขียนละเที่ยวรอบโลกก็คงไม่ได้เเขียนพินัยกรรมคงพอได้อยู่เขียนพินกรรมะจะจัดการทรัพย์สินยังไงคิดให้ดีโจะไปหาใครบ้างอะไรต่างๆนานาเปลี่ยนหมดนะเปลี่ยนไปหมดเพราะว่าสิบสองเดือนกับเจ็ดวันนี่มันมันคนละ<ช>เรื่องเลยลอนะงั้น ang, เจ็ดวันนี้เราเราทําอย่างอื่นดีกว่าอคุณตัดสินใจให้ดีเจ็ดวันคุณจะทําอะไรแล้วก็หนึ่งนาทีจากเนี้ยคุณจะทําอะไรนะ มันจะเป็นคนและคําตอบกับที่12 <ช>เดือนแน่ใช่ไหมว่า1นาทีจากเนี้ยถ้าเรารู้ว่าเรามีเวลาเจวันจะตายเนี่ยสิ่งที่เราจะทํา1นาทีจากนี้กับสิ่งที่เราจะทํา1นาทีจากนี้ถ้าเรารู้ว่าเรามี12เดือนจะตายเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะใช่ครับทีนี้ต่างกันคืนต่อมาอีกคืนต่อมาปรากฏ ว, ว่าชายคนเดิมเสียงเย็นเยือกเหมือนเดิมนั้นด้วยเครื่องแต่งกายเดิมดูแล้วโอ้โหเป็นมัจจุมาแน่นอน เขามาหาเราบอกว่าไม่ให้ละเจวันเอาปืนมาอาวุธชนิดหนึ่งซึ่งดูเหมือนปืนแต่มีความอลังการมากมีความกลไกที่สับซับซ้อนเขาก็มาจอที่หัวเราบอกจะยิงเธอเดี๋ยวนี้เธอจะตายเดี๋ยวนี้มีเวลาสมวินาทีระหว่านที่<ช>เขาเอามือมื อ, อนิปโป้งเนี่ยเกี่ยวไกตรงนิปโป้งอยู่เพื่อปลดล็อกมันนะเพื<ช>่อให้มันเตรียมลั่นไกลนแล้วก็เอานิ้วชี้เนี่ยจะเกี่ยวไกตรงนี้เรามีเวลาไม่เกิน3มวินาทีหมดแล้วท่านผม ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆอย่างเช่นอยู่ในสนามรบที่เขาจะฆ่ากันอยู่เงี้ยเราถูกจับเป็นตัวประกันเขาเอาปืนจ่อไว้เราอยู่หรือว่าอยู่ในที่ hostile environment ที่เขาจับตัวประกรันอยู่นะเราเป็นตัวประกรันอยู่อย่างเงี้ยเราจะถูกฆ่าตายภายใน3วินาทีถามว่าวินาทีนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงหนึ่งนาทีเลยด้วยซ้ำวินาทีนั้นเราจะทําจิตยังไงครับคําตอบก็คือว่าคนที่เขาฝึกมาดีเลยนะคือแบบพอรู้จากธรรมะบ้าง รู้คำสอนพระพทธเจาบ้างเนี่ยจะรีบรวบรวมสติมาทั้งหมดเลย<ช>เนือรวบ ร, รวมสติมาทั้งหมดว่า เ, ออเราจะต้องหลับตาตั้งใจให้มั่นนะจะตายแล้วทําจิตอย่างนี้ถูกไหมในช่วงสามวินาทีนั้นครับัจัดมาครับแล้วก็จะไม่มานึกโกรธเกลียดเครียดแค้นคนที่จะมาเอาชีวิตเราหรอกเราก็จะไม่สนใจด้วยในห้องนั้นมีใครบ้างมีอ่ คนที่จะฆ่าเราแล้วก็มีลูกสมุนเขาอีกเยอะแยะเราจะไม่สนใจกลิ่นเป็นยังไงไม่รู้ลนะ่ะมันจะเหม็นจะหอมเราจะรักษาจิตเราอย่างเดียวฉันจะคุกเข่าอยู่ฉันจะยืนอยู่ฉันจะเหนื่อยแค่ไหนไอ้ผู้นี้จะดับไปหมดเนะื้อเหลือแค่จิตของเรากับจิตของเราเท่านั้นเองนะเราจะรักษาจิตของเราอย่างนั้นเลยนะได้ยิอไหมเวลาที่เขาจะยิงเราแล้วเนี่ยเราจะไม่สนใจสิ่งรอบนอกว่าเป็นยังไงนี่คือคนที่ฝึกมาดีแล้วนะมันจะเหม็นมันจะเหนื่อยมันจะร้อน เราจะถูกทรมานยังไงมันจะตายแล้วนะ่ะวินาทีนั้นนะ่ะอีกสามวินาทีมันจะตายแล้วเนะี่ยเราจะยิ่งรักษาจิตของเรามากที่สุดเลย<ม>เราเคยเห็นดูหนังหรือว่าในชีวิตจริงที่เขาถูกจะเป็นตัวประกรันเนี่นะโอ้ย<ช>คน<ช>ที่ถูกจับจเป็นตัวประกรันที่บางทีร้องโวยวายโอย้ช่วยฉันด้วยหรือมาเครียดแค้นคนที่จริงฉันจะปูโกรธกระแกะตลอดช่วการนานอะไรอย่างเงี้ยนะ<ช>อันนั้น ค, คือเขายังทําไม่ถูกใช่ไห ม, มคนที่สามารถตัดสินใจก่อนได้เนี่ยเขาจะ รีบรวบรวมสติทั้งหมดมารักษาจิตรักษาจิตอย่างดีที่สุดณวินาทีนั้นรักษาจิตอย่างดีที่สุดนะใช้อะไรรักษาจิตสติไงสติสครับอนุมาจะบอกให้ครั บ, รบเราไม่มีเวลาสิบสองเดือนหรอกอืเราไม่มีเวลาเจ็ดวันหรอกเราไม่มีเวลาแม้สามวินาทีเลยถ้าเราจะตายครนะจิตที่แบบเนี้ยจิตแบบเนี้ยที่เราจะตายแล้วเนี่ยนะเอาจิตแบบเนี้ยถ้าเราไปเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจ S <S <S ไปเจอกับสิ่งต่างๆนานาที่เช่นว่าอากาศร้อนอากาศหนาวข้าวก็ไม่มีกินเราจะอดทนได้ <S 2> <S 2> ไปเจอกับน้ำท่วมไปเจอกับข่าวสารต่างๆที่จริงบ้างไม่จริงบ้างเราจะผาสุขอยู่ได้ไปเจอกับลูกหลานสิ่งตรงนี้จิตตรงนี้จะกลายเป็นความเมตตา ถ้าพ่อแม่ไปเจอกับพ่อแม่จะกลายเป็นความกตันอยู่ไปเจอคนที่ไม่ชอบก็จะเป็นกลายกลายเป็นความอดทนเป็นความสงบสงเงียมไปเจอกับหัวหน้าก็จะกลายเป็นาการทำงานอย่างดีเป็นการมีความซื่อสัตย์จริตถ้าเป็นพระก็จะพอใจในศีลวินาทีนั้นไม่มีมามามีความยินดีในเงินทองที่เรามีมันคิดไม่ได้เลย สมวินาที ค, คุณไม่เหลือแม้กระทั่งจะเขียนพินัยกรรมหรือจะโทรสั่งลูกว่าลูกๆเดี๋ยวทํามันนี้นะหรือจะโทรสั่งผัวสั่งเมียว่าเอ้ยอันนี้ต้องเกิดขึ้นนะเดี๋ยวเธอเอาเงินตรงนี้โยกย้ายไปตรงนั้นนะไม่มีเวลามาคิดเรื่องพวกนี้นะครับแต่ด้วยจิตอย่างนี้นะด้วยจิตแบบตอนที่จะตายสามินาทีเนี่ยถ้าเรามีทรัพย์อยู่เราจะรู้จักใช้จ่ายทรัพย์อย่างที่พระเจ้าบัญญัติไว้คือในสี่สถานเพราะเรามีสติอยู่ถ้าคุณเจอเหตุการณ์ที่น่าตกใจน่ากลัว นะเราจะรวบรวมสติอยู่ได้ไม่คลั่งไม่คลั่งเพอ้อไม่ร่าให้คร่ําครวญเราไม่มีเวลาแม้สมวินาทีหมอท่านอาตมาเช้านี้ตื่นขึ้นมานะครับเราหายใจเพื่อมีสติรู้สึกตัวปุ๊บโอ้เราใกล้ความตายเข้าไปอีกหนึ่งวันเราคิดนี้นะชีวิตสั้นลงอีกอเราใกลใ้ความตายเข้าไปอีกหนึ่งวันเอ๊ะวันนี้เราจะทําอะไรถ้าเรามีเวลาเหลือแค่สามินาทีวินาทีนี้เราจะทําอะไร วินาทีนี้เราจะทําจิตยังไงคุณไม่ต้องพูดถึงเลยว่ากายจะทําอะไรวาจาจะทําอะไรมันคิดไม่ได้เลยด้วยซ้ําเพราะว่ามันมัีเวลาหนึ่งวินาทีอะนะอย่างดีที่สุดคือจิตของเราต้องเป็นอย่างงี้เราต้องเอาจิตอย่างงี้แหละจิตอย่างงี้เลยไปทํางานการต่างๆครับคุณทํางานด้วยจิตแบบนี้คุณสื่อสารกับลูกค้าด้วยจิตแบบนี้คุณไปสั่งสอนลูกด้วยจิตแบบนี้ไม่ใช่ความคิดอย่างนี้นะแต่ด้วยจิตแบบนี้คือว่าไม่ใช่คิดว่าเราจะตาย นะแต่ด้วยจิตแบบที่เราจะตายนะเราจะต้องทำสิ่งต่างๆแบบนี้นะเราจะไม่มีความมามามาคิดว่าไอใครเป็นผู้รู้สึกความเจ็บปวดตรงนี้เออไอ้ฉันที่ถูกจับคุกเขาอยู่ถูกลัดมืออยู่หรือฝันนี่นี่มันฝันหรือมันเรื่องจริงกันแนะ่คุณไม่มีเวลาคิดเรื่องพวกนี้เลยครับไม่มีเวลาเลยเอาแค่จิตของเราเนี่ยต้องรักษาให้ได้ครับเราก็มันมีความไม่แน่นอนอย่างยิ่ง ไม่แน่นอนมากๆใครจะมาวางแผนชีวิตฉันว่าฉันจะมีชีวิตอยู่ 12, 12เดือนหรือมา12ปีหรือ 20-30 ป, อ 20, ปีคุณคิดอย่างไงไม่ได้หรอกเพราะว่าเราจะประมาทแต่ด้วยจิต<ช>ที่รเรามีเวลาอยู่3มวินาทีเนี่ยหรือไม่ถึง3มวินาทีเนี่ยเราจะวางแผนอนาคตได้แล้วเราจะไม่มีมาเสียเวลากับเล่นอินเทอร์เน็ตกิ๊กคักนู่นไปดู a c e b o o k ดูโทรศัพท์มือถือทาอะไรต่างๆที่มันไร้สาระ รหรือว่าเราจะถูกฉุดกระชากดึงไปด้วยภัสสะที่ไม่น่าพอใจหรือภัสสะที่มาทําให้เรารุ่มหลงเพลิดเพลินยินดีแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีน้ําท่วมอุยคุณต้องกินข้าวเวลาสามมื้อเหร อ, เ, อเวลากินคุณก็ไม่มีเวลาคิดว่าจะกินถึงวินาทีนั้นนะถ้ามีมื้อเดียวก็กินมื้อเดียวถ้ามีสัปดาห์หนึ่งกินได้สองครั้งก็กินได้สองครั้งอย่างในแอ ฟ, ฟริกาเด็กชาว ลูกเด็กเล็กแดงที่เขาอดอยากเนี่ยนะในเจ็วันเนี่ยหมารัตนงศ์เขากินข้าวแค่วันจันทร์กับวันพฤหัสแล้ววันจันทร์กับวันพฤหัสกินแค่ครั้งเดียวกินข้าวแค่ฟามือเดียวมีเท่านั้นเองนะแล้ว<ม>อยู่ได้าอาจิตดหนึ่งแล้วไอ้ถามว่าคนที่ติดเกาะ อ, อยู่ที่น้าท่วมะกินข้าววันละสามมื้อนะที่เขาจัดเลี้ยงนะแหละวานละสามือ้อเราบอกอ้เราจะต้องอดแน่เลยหรืออยู่ได้ไม่ถึงเดือนมื้อเดียวก็พอพระเองกินมื้อเดียวเลยไปพูดถึงอะไรในะแอฟริกาเขากินวันละ อาทิตย์หนึ่งกิกนแค่ 2, 2> ครั้งสอ ง, สองครั้งถ้าเราจิตแบบนี้จิตแบบที่ก่อนจะตายนี่อะไรมาเราก็ไม่มีปัญหานะกินมื้อเดียวก็ได้กินวันละสองอาทิตย์ละสองครั้งก็ได้แล้วก็ไอ้ความคำถามที่ว่าเอ๊ ะ, อะท่านใครจะมาทำต่อจากท่านไอ้เรื่องนี้ก็เลยกินไปเลย invalid question เป็นคำถามที่ไม่ควรจะต้องเป็นคำถามเลย เพราะว่ามันไม่มีใครมาเป็นผู้รู้สึกเนี่ยอป่ะไม่มีใครมาเป็นผู้สืบต่อศาสนาถ้าเรายังมีสติอยู่อย่างที่เราจะตายอย่างนี้นะนั่นแหละจะทําให้ประศาธรรมตั้งอยู่ในแดนนะเอาล่ะท่านมีชื่อเสียงมากขึ้นแล้วจะเข้าพบญาตได้ทําไง invalidation ไปเลยเพราะว่ามันชื่อเสียงเหรอตายเหมือนกันอันมาก็ไม่รู้นะว่าพรุ่งนี้เราจะยังอยู่หรือเปล่าอ่ะถ้าวันนี้เราจะทํำไรวินาทีนี้เราจะทำไรพระเจ้าบอกไว้แล้วเปรียบเสมือนกับบุรุษคนหนึ่ง ถือหม้อน้ำมันเต็มไปด้วยน้ำมันปริ่มถึงขอบปากบาแล้วมีชายเป็นเพชฌฆาตเดินตามหลังมาบอกว่าน้ำมันหยดลงแม้แต่หยดเดียวเมื่อไหร่ฉันจะบันคอเธอทันทีเหมือนกับคุณเขอาปืนจ่อหัวคุณอยู่อ่ะครับคุณอย่าคิดเรื่องว่าบ้าบอๆนะไม่งั้นจะยิงหัวทันทีมีเวลาสามวินาทีมัจจุมาณนะเอาปืนจ่อหัวอยู่อ่ะานความคิดเราได้ด้วยนะออืมเแล้วถ้าเราเดินผ่านไป ที่ที่เขามีการละเล่นแม้ผู้หญิงสวยงามเลยเต้นอยู่บนเวทีหรือสิ่งที่น่าดู น, าน่าเพลินใจเราจะไม่มีเวลาไปคิดเรื่องพวกนั้นเลยเราจะโฟกัสแล้วก็คอยรักษาหม้อ น, น้ํามันนี้ไม่ให้น้ํามันหยดลงมาแม้แต่หยดเดียวไม่งั้นถูกบันคอเลยนะเัมนกันเราไม่มีเวลาแม้แต่สาวินาทีหมอระทวงด้วยจิตแบบนี้แหละเราจะสามารถผ่านอุปสรรคในชีวิตไปได้น ะ, ะรุ่งเรืองมากขึ้นได้มีทําสร้างทาน ทำศีลปฏิบัติภาวนาะชีวิตเราผ่านอุปสรรคได้ด้วยจิตแบบนี้นะนี่ไม่ใช่หมายความว่าคุณจะต้องอไม่วางแผนในอนาคตหรือว่ามาคิดว่าฉันจะตายอยู่แล้วฉันไม่ทำอะไรเลยนั่งเฉยๆอันนี้เป็นมิสาธิติอีกสุดตรงหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นพวกที่จะถูกกับดักของมารอยู่นะแต่ว่าเราทางสายกลางคืออะไรอยู่ในมรรคไงคนี่คือจิตที่เป็นแบบนี้อามาจะบอกให้วันที่คาสอ ร, รของยซูคริสนะนะที่เขาบอกมี judgment Day วันที่ทุนจะต้องถูกพิพากษาเนี่ยคือวันนี้ไม่ใช่วันนั้นวันนี้เดี๋ยวนี้คุณจะถูกพิพากษาอยู่แล้วว่าจิตของคุณดีหรือไม่ดีแล้วใครพิพากษาก็ตัวเราเองนี่แหละพิพากษาว่าจิตของเราจะดีหรือไม่ถ้าคุณไม่รักษาจิตจิตก็คุณก็หวยตายไปเดี๋ยวนั้นก็ตายไปไปตกนรกที่ไหนก็ไม่รู้ครัอย่าเป็นอย่างนั้นเรามีเวลาไม่ถึงสามวินาทีเลยอืจะบอก<ต>ให้ว่านี่คือรายการรายการไรหมอละทงเปิดทําที่ถูกพิดภาคออนไลน์ครั บ, รบอทุกสัปดาห์เรามาไม่เคยขาด แล้วก็อาตมาพระไพบุตรพิปุโนก็จะมาพร้อมกับคุณหมอณัฐพง์ครับกลาบนัสการและสวัสดีท่านผู้ฟังครับผมณัฐพง์กนกพิรุณจากกรุงเทพครับวันนี้อาตมาก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะว่านี่มันรายการอะไรแต่ว่าเรื่องตายเรื่องเป็นเนี่ยเราต้องพูดก่อนสำคัญก่อนครับตอนนี้เป็นเอพิส od ที่เท่าไหร่คุณหมอณัฐพงศ์ครับเอพิส od ที่42แล้ว ใช่ครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องความตายเราไม่แน่ใจเลยไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่มัจจุมาเนี่ยกับกับมัจจุมาเนี่นะมีเสนามากพระราชาบอกว่ามัจจุมาเนี่ยเป็นผู้มีเสนาอันใหญ่หมายความว่าไอไอบรุษที่เราเห็นอยู่ในชุดดามีอาวุธครบมือใส่หน้ากากชุดเกราะอย่างเต็มที่มาหาเราในฝันเนี่ยนะคือมัจจุมาเขาจะมีลูกสมุนอยู่มากเขาแค่ตกท่อคุณก็ตายได้แล้วคุณเดินหกลม้มหัวฟาดพื้น คุณตายได้ตายได้ครับมะเร็งเราตรวจมาเป็นสิบสิบปีไม่พบมาเจออีกทีขั้นสี่แล้วนั่นกมาจุมาร น, นะเดินอยู่ดีดีนั่งอยู่ในรถขับรถดีดีนะรถก็ปลอดภยัยอยู่ๆมีคนมาชนนั่นมาจุมาร น, นะเร า, เ อ, าอยู่บ้านดีๆเอาทำไมน้ําท่วมดูดไฟช็อตนั่นมาจุมารมัมจุมานเป็นผู้มีเสนาอันใหญ่เราไม่ทราบเลยว่าเราจะตายเมื่อไหร่สมมติตายวันนี้โอ้ยวันนี้มันยังช้าไป ตายตอนบ่ายโอ้ยตอนบ่ายมันยังช้าไปเขาตายลมหายใจนี้เออนี่ฟังเขาท่าอยู่วันนี้แหละคือวันที่เราจะต้องถูกพิพากษา today is judgment day ไม่ต้องรอวันอื่นเลยถ้าเราไม่พิพากษาไม่รักษาจิตของเราคุณพลาดเลยคุณไปนรกรกำเนิดเดรัชานเปรตวิสัยอสุรกายอบยัยภูมิหรือถ้าเราไม่รักษาจิตนะยางน้อยที่สุดจิตเราก็ยังร้อนอยู่ตอนนี้นะแล้วฝันนี่มันก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จละ ถ้ามันจริงขึ้นมาเราจะทํำยังไงนะเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาจิตของเราอย่างนี้ไม่มีอะไรแน่ไม่มีอะไรนอนไม่มีอะไรเที่ยงแท้แต่ถ้าเราไม่รักษาจิตเราพลาดแน่นอนนี่คือสิ่งที่แน่นอนถ้าเรารักษาจิตอยู่เราสบายครับแล้วก็คําถามอื่นๆจะเป็นคําถามที่ิน v a l i d ไปหมดเลยเฮ้ฉันจะทํำยังไงต่อไปทานที่ให้ไปจะได้ผลมากน้อยแค่ไหน อ, อ๋อแล้วพ่อแม่จะเป็นยังไง ว่าคุณไม่มีเวลามาคิดถึงคนอื่นหรอกรแต่ถ้าเรามีสติรักษาจิตยอย่างนี้นะเจอสิ่งที่ไม่พอใจเราจะอดทนอดทนนั่นแหละคือการรักษาผู้อื่นถ้าเรามีสติอย่างนี้นะเราเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจนะเราจะมีความไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนนั่นแหละรักษาผู้อื่น <c oughs> นะเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะมีจิตยอย่างนี้นะแล้วตกอยู่ในสการ์อันใดอันหนึ่งที่ขับขันเช่นน้ําท่วมเป็นต้นอยู่ในมอบเขาบุกมาแล้วเสืออะไรก็ไม่รู้ล่ะ รเราจะเป็นผู้ที่มีความไม่เบีดเบียนไม่เบียดเบียนนั่นแหละคือรักษาผู้อื่ น, น, นเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้นะโทุกอย่างกดดันมาหมดซ้ายขวาหน้าหลังทําอะไรไม่ถูกแล้วก็อาหารก็ไม่มีกินที่พึ่งใครก็ไม่ได้แล้วโทรไปฮอตไลน์ฮอตไลน์ก็ไม่รับเราจะเป็นผู้ที่มีความเมตตาอยู่ได้เป็นผู้ที่อดทนไม่เบียดเบียนมีเมตตาจิตรักใครเอนดเราจะผ่านสถานการณ์ไปได้ให้มีจิตอย่างนี้สามนาทีก่อนตายอยู่ทุกขณะทุกขณะับ แล้วก็พอเป็นอย่างนี้แล้วเราจะสบายใจเป็นผู้ที่อยู่ผาสุขอยู่ได้แม้ในเวลาที่มีทุบพิกภัยเกิดขึ้นครับอืมีคําถามที่เขาส่งมาทางเกี่ยวธรรมะคอมมาทศถงก็บอกว่าบ้านเขาถูกน้ําท่วมน้ําท่วมใช่ไหมแล้วก็โอไม่เคยมีน้ําท่วมทุกมากเลยครับนี่ถ้าคุณคุณตายไปตอนนี้นะคุณตายไปตอนนี้นะความทุกข์ที่เกี่ยวกับน้ําท่วมคุณก็ไปไม่ได้ครับ ความสุขที่คุณเคยมีก่อนมาน้ําท่วมคุณก็ไปไม่ได้ไปไม่ได้ครับแล้วคุณจะเอาอะไรไปคุณก็เอาจิตคุณไปได้อย่างเดียวจิตก็ไม่เฉยของตัวเองอีกแล้วทําไงเรารักษาจิตของเรารักษาจิตของเราอย่างนี้รักษาจิตของเราอย่างนี้นะอย่างนี้นะแล้วถ้าเจอกับสถานการณ์น้ําท่วมเป็นไงเราจะอดทนได้ถ้าเรารักษาจิตอย่างนี้นะเราเจอกต่ความหิวความกระายทําไงเราจะสบายใจอยู่ได้มีมื้อหนึ่งก็กินมื้อหนึ่งมีสองมื้อก็กิน2มื้อมี3ามื้อเราอาจจะเก็บ2มื้อไว้กินต่อวันพรุ่งนี้วันนนีี้กิมือเดยว แล้วเราจะประหยัดอยู่ได้สันโดดอยู่ได้เอาเผานานแลกตายไปเลยอย่างกูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่ป่าสมัยก่อนเผ่านานเอาตายไปเสือป่าไหนมีเสือไปายเจอเสือตายใช่ไหมไม่กลัวกิเลสมันตายหมอรัตพงออครับถ้าเรายังมีความยึดถือในรูปเวทนาสัญญาสังขารอยู่นะเรามันตายไปเราจะตายไปตามมัน นึอกออกไหมรู ป, รปรเราโอ้โหทรัพย์สินเงินทองของฉันบ้านของฉันรถของฉันถูกน้ําท่วมไปแล้วมันเสียใช่ไหมมันตายใช่ไหมเราตายตามมันไปแล้วคนคุณจิตคุณตา ย, ค, ตายคุณก็ได้รับทุก์เนี่ยสิแต่ถ้าเราไม่ยึดเราไม่มีความยึดถือไม่มีความเพลินไม่มีอุปทานในสิ่งนั้นสิ่งนั้นตายไปเราจะไม่ตายไปตามรูป ค, รความรู้สึกตายไปเราจะไม่ตายไปตามความรู้สึก รถของฉันบ้านของฉันถูกท่่มใช่ไหมเราไม่มีความยึดถือยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นเราจะไม่ทุกไปตามสิ่งเหล่านั้นเราจะแก้ไงก็แก้ไปตามเหตุอ่ะจิตเรารักษาได้อย่าตายไปตามรูปถ้าตายให้กีเลมันตายให้ตัณหามันตายตายเลยเพราะว่ามันตายแล้วมันฟื้นขึ้นมาได้นะแต่ถ้าเราตายเนี่ยมันยังเกิดขึ้นมากับเราได้แต่ถ้ากิเลตตายเนี่ยมันตายแล้วตายเลยเราไม่ตายเรายังอยู่เอาให้มันตาย ให้เปลี่ยนวิกฤ tn ี้ให้เป็นโอกาสอันมาจะบอกให้คนที่ได้รับความทุกข์อยู่คุณถ้าคุณยังไม่ได้รับความทุกข์นะตอนที่คุณเห็นซีนามิที่เขาถล่มญี่ปุ่นนะครับโอ้ยเราสงสารเขาจับใจแต่ตัวเองไม่รู้ไม่โดนไม่รู้สึกหรอกอืมใช่ครับเอารเรายังไม่โดนไม่เป็นไรเราอยู่เมืองไทยด้วยกันนะคนเหนือคนอีสานที่ยังไม่โดนอ่ะคุณเห็นข่าวว่าโอ้โยเราก็ตระหนกวิตกไปด้วยนะดูข่าวเงี้ยโอ้ข่าวมันไหลามา โอ้ยตกใจโทรถามคนนั้นคนนี้คนที่รู้จักไม่ใช่ญาติหรอกแต่โทรถามเขาแเธอเป็นยังไงบ้างเธอเป็นยังไงมันรู้สึกตกใจขึ้นมาหน่อยอืมเพราะมันใกล้ตัวเข้ามาคับความตายเราก็ไม่รู้บางทีมันพัดขึ้นมาทางนี้เราก็ไม่แน่ทีนี้อีกคนหนึ่งอถ้าไม่ใช่ญาติตัวเองที่รักที่พอใจเนี่ยคุณไม่รู้สึกหรอกแตนะ่ถ้าไม่ใช่พ่อเราโดนแม่เราโดนลูกเราโดนหลานเราโดนคนที่เรารักโดนเนี่ยนะคุณไม่รู้สึกหรอก ดังน้นจะต้องบ้านเราอยู่ทางอีสานนี้ถูกเขาญ า, าติอพยพมาอยู่ที่นี่กันเต็มเลยโอ้ยถามสัตวทุกสุขเป็นไงมันจะรู้สึกเศร้าจับใจไอ้ความกระเทือนเนี่ยมันกระเทือนมากกว่าใช่ครับอใกล้ตัวกว่าใกล้ตัวกว่าหรือคนกรุงเทพแบบที่น้ำมันจ่อยแล้วบ้านอยู่ใกล้ติดกับไอ้เจ้าเขือนเขือนอะไรก็ไม่รู้โยกไปโยกมาเขือนไอ้เขาเรียกว่าถุงทรายอ่ะ แเราก็น้ํำสูงสามเมตรอยู่หน้าเขื่อนเราอยู่ท้ายเขื่อนอยู่ติดเขื่อนเลยอุ้ยจะทําใจยังไงมันนอนไม่หลับหรอกวะรัตพงศ์ถ้าคุณไม่ทําจิตอย่างนี้นะแล้วไอ้คนที่น้ําเท้าเปียกอยู่อย่างเงี้ยสรัพยสินเงินทองถูกทั่วหมดชั้นสองก็อยู่ไม่ได้ต้องโอบยโยไปอยู่ที่อื่นมีข้าวกินมันละมื้อหรือข้าวมื้อหนึ่งก็ยังไม่มีห้องน้ําก็ไม่มีคุณจะทํำยังไงนี่แหละคุณต้องทําจิตอย่างนี้ครับ เพราะมันไม่แน่เลยจริงๆอย่างคนที่อยู่บางบัวทองน้ําขึ้นจากตะตุ่มขึ้นมาถึงเอลเนี่ยแค่เวลา20นาทีโอ้ย20นาทีใส่รองเท้ายังไม่ทันเลยมาแล้วครับเร็วมากครับอแล้วมันมันรวดเร็วอย่างนี้เราไม่มีเวลาแม้3มไมนาทีครับเราต้องทําจริงอย่างนี้ครับแล้วก็เราอย่าไปเครียดเลยอย่าไปเครียดว่าอะไรจะเป็นยังไงที่อาตมาเคยบอกตอนช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาครับวกคุณไม่ต้องรอนัฐบานหรอก ว<ม>หวังว่ารัฐบาลจะมาช่วยอย่างนั้นอย่างนี้คุณก็มีสิทธิ์ถือศีลรักษาศีลเจริญสมาธิทําปัญญาเาจเริญภาวนาะอยู่ไว้ในาทีนี้คุณไม่ต้องรอรัฐบาลและพันช่ว<ม>คุณไม่ได้<ช>ต่อให้ฝ่ายค้านเขาช่วยคุณไม่ได้<ช><ช>เพราะเราจิตเราเราต้องรักษาเองอ<ม>คุณไม่รักษาจิตแล้วใครจะรักษาจิตฮอ t l i n e รักษาให้อโทรไปหา hotline แล้วฮอ t l i n e เขาจะมาพูดปอบระโลมเราอ่ะ h o t l ลน์ก็ไม่มีคนรับอย่างดีก็เสียงตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อแล้วมันจะทําจิตให้สบายได้ไหมอาจจะได้สักหน่อยหน นั้นคุณต้องเป็นผู้ที่รักษาจิตด้วยสติอย่างยิ่งอือย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยครับอให้เป็นผู้ไม่ประมาทนั่นคนไม้นั่นเรือนว่างจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติรักษาจิตของเธอเป็นอย่างดีครับเท่านั้นการพิจารณาความตายที่ตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาเรียกมรณสติไหมครับ อ๋อบทเปลี่ยนชนะของพระเจ้าจะเนีย๊ยบกวของอาตมามากอ่พระเจ้าจะบอกมาผ่านกลางวันมากลางคืนนะเธอผู้อยู่ป่าเนี่ยจะเห็นว่าปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากอาจจะเป็นงูฉกเราตะขาบกัดเราเราเดินพลาดหกล้มลงอาหารที่กินมาไม่ย่อยอยู่ๆนอนขึ้นมานอนแล้วก็ไม่ตื่นนะอ่ามนุษย์ทําร้ายเรา <c oughs> พวกเสือสิงกร ะ, ระติงน่าต่างๆก็มีพวกโจรต่างๆก็อาจจะมาทํำร้ายเราความตายจะเกิดขึ้นกับเราเอ๊ะ พิจารณาดูซิว่าอากุศลที่มีอยู่ในจิตของเราเนี่ยยังมีอยู่ไหมถ้ามีนะรีบละทันทีหเหมือนกับคนที่ไฟไหม้หัวไฟไหม้หัวเนี่ย ค, ค, คุณไม่มีเวลาแม้กระทั่งครึ่งวินาทีคุณต้องดับทันทีใช่ครั บ, รบเขาเอาปืนจ่อหัวอยู่ของอาตมาเนี่ยยังนานเนี่ยยังมีสามวินาทียังมีการลั่นไกนิ้วโป้งั่นไกนิ้วชี้ยังชาไปครนะเจ้าเปรียบเทียบกับเอาผมไม่สีสะไอ้ไฟไหม้ศีสระไฟไหม้เสื้อผ้ามันต้องขนาดนั้น คุณจะตายอยู่ในวินาทีนี้แล้วอีกครึ่งวินาทีนี้แล้วถ้ามีอกุศลอยู่ในจิตรีบละโดยด่วนเดี๋ยวเดี๋ยวขอ<ม>บันทึกเสียงโทรไปด่ารัฐบาลก่อนเดี๋ยวเดี๋ขอโทรแจ้งสสให้มาช่วยก่อนคุณไม่มีเวลามไม่มีเวลาขนาดนั้นรีบเอาอกุศลออกจากจิ ต, ตทันทีถ้าคุณมีจิตที่ว่าโอ้ยคิดไม่ดีคนนั้นคนนี้คนนั้นมันชั่วยอย่างนีน้คนนี้มันชั่วยอย่างนั้นมันไม่มีเวลาหรอกคุณอย่าไปคิดเรื่องนั้นไ<ม>ร้สารละรและเราก็ทําให้จิตของเราสปกปรกเปล่า เราต้องรักษาจิตของเราอย่างนี้ครับจิตอย่างนี้แหละคือจิตที่มีสติแล้วถ้ามันเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจจะอดทนได้มันจะเปลี่ยนไปเป็นได้ทุกอย่างเลยไงเจอกับลูกหลานเราจะกลายเป็นความเมตตาความรักใคนะร่เอ็นดูนะเจอกับเขาโทรมดาด่านะเราจะกลายเป็นผู้ที่มีอุเบกขามีสติสมัมปชัญญะรักษาจิตของเราได้นะเจอกับน้ํากัดเท้าเจออะไรต่างๆเราจะสบายใจสบายใจในที่นี้ไม่ใช่หมายว่าเจอสิ่งนั้นเราก็มีความสุขอยู่ได้นะไม่ใช่นะ แต่สิ่งนั้นมันกระเทือนจิตเราไม่ได้อ๋อแต่เหตุเหตุทางกายความทุกข์ทางกายก็ต้องแก้ไขกันไปใช่ไหมครับก็ถ้ามีเวลาคุณก็แก้ไปอครับถ้ามีเวลา ค, คุณก็แก้ไปครับแต่ถ้าไม่มีเวลาคุณก็ต้องรักษาจิตอย่างนี้ครับแล้วตอนนี้มีมีคําถามบอกว่าไอ้ลักษณะเนี้ยมันเป็นกรรมเก่าหรือเปล่าครับที่เกิดมาเหมือนว่าอย่างเนี้ยอืถ้าถ้าเรามีความคิดว่าเป็นกรรมเก่าอย่างเดียวเนี้ยนะ คนที่ถูกปืนจ่อหัวอยู่เนี่ยหรือว่าถูกไฟไหม้ผมอยู่เนี่ยเขาก็คิดว่าอุ้ยกรรมเก่าของฉันแหละฉันเป็นอย่างนี้ฉันก็รับไปแล้วกันเขาจะไม่ทําอะไรนะถ้าคิดว่าไอ้กรรมเก่าที่เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันอยู่วินาทีนี้ทุกสุขทุกที่เกิดขึ้นกับฉันอยู่วินาทีนี้นะเป็นผลของกรรมเก่าร้อยเปอซคุณจะไม่ทําอะไรในชีวิตเออก็จะน้อมจิกก็จะน้อมไปในการไม่สร้างกุศลเอก็ไม่ต้องทําอะไรอ่ะชีวิตฉันก็เป็นอย่างนี้มันก็มาเป็นกรรมเก่า ฉันนี่จบโรงเรียนนี่มันก็เป็นกรรมเกา่าฉันมาเจอผัวอย่างนี้เจอเมียอย่างนี้มันก็เป็นกรรมเกา่าฉันอยู่ที่นี่มันก็เป็นกรรมเกา่าอะไรเกิดที่มันก็เป็นกรรมเกา่าปัโถเอ้ยมันไม่ใช่ครับพระเจ้าบอกไม่ใช่ไงพระเจ้าบอกเหตุปัจจัยที่ทำให้คุณสุขทุกขเนี่ยมี6กอย่างกรรมเก่าบ้างเวเหตุแห่งอุตตุบ้างการเตรียมตัวไม่ดีบ้างการลินฟ้าอากาศบ้างอะไรต่างๆมันมีเพราะฉะนั้นไอ้ถ้าเราไปเชื่อในลักษณะนี้ก็ไม่ถูก แต่ถ้าไม่เชื่อกรำเก่าว่าโอเวทนาสุขทุกข์ที่เกิดจากกรำเก่าก็มีมันก็ไม่ถูกไงเพราะฉะนั้นคนก็จะไม่สร้างกรรมในปัจจุบันอาจจะไม่มีเจตนาที่เป็นในกุศลในปัจจุบันเพื่อที่จะไปรับผลในอนาคตหรือนับผลในปัจจุบันใช่ไหมเขาก็าจะไม่ทำอะไรเพราะฉะนั้นการบัญญัติตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเพราะเราจะทำยังไงอะ่ะ เ, เราต้องรักษาจิตของเราอย่างนี้ใช่ครับ อ, อ, อาจจะเป็นกรำเก่าก็ได้อาจจะไม่ใช่กำเก่าก็ได้ เพราะฉะนั้คนที่เขาตกอยู่ในสถานการณ์สถานการณ์เนี่ยมหาทุพภงเป็นเครื่องทดสอบกําลังจิต บ, บุรุษชาบอกว่าจะรู้ได้<ช>ไงว่าจิตของผู้นี้มีกําลังหรือไม่มีกําลังอเขาต้องตกอยู่ในสถานการณ์ตกอยู่ในสถานการณ<ช>์รรรแห่งไ ร, รนะตกอยู่ในสถานการณ์แห่งความเสื่อมลาบเสื่อมยศเสื่อมพระญาติเสื่อมพระโรพย์เสื่อมเพราะเหล่านี้แล้วคุณยังเป็นผู้ที่มีจิตเหมือนปกติอยู่ก่อนที่ไม่เสื่อม ไ, มได้ไหม นะเป็นผู้ที่ไม่กราฟกระฟิกกระด้างกระเดื่อแสดงความโกรธความขัดเกงความไม่พอใจปรากฏหรือเป็นผู้ที่ไม่กล้ากลืนน้ำให้ทุบกชกตัวถึงความพุ่งมุ่งงงคลั่งเพอถ้าไม่เป็นอย่างนี้คุณเป็นผู้มีกําลังจิตอถ้าคุณรักษาจิตได้อย่างนี้จิต ค, คุณมีกําลัง ร, รักษาได้อย่างนี้จะแปลงออกมาเป็นความอดทนได้เป็นความสงบสงเษมอยู่ได้เราจะชนะอย่างงดงามเลยหมรัตนพงศ์ด้วยความอดทนด้วยความสงบสงเษมครับอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกภิกษุว่า เธอทั้งหลายในธรรมะวินัยนี้เนี่ยนะจะเป็นผู้ที่งดงามอยู่ได้ด้วยความอดทนด้วยความสงบเสงี่ยมสงบเสงี่ยมและอดทนจะทำให้เราชนะสงครามในครั้งนี้อย่างงดงามชนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในชีวิตนี้อย่างงดงามงดงามอยู่ได้ด้วยความอดทนและความสงบเสงี่ยมครับอดทนแสดงว่าเป็นองค์ธรรมที่สาคัญมากเนี่ยนะครับใช่ใช่ธมะนะคนที่เขาอยู่กินมื้อเดียวเนี่ยนะ หรือคนที่หลายๆวันกินสักสองสมื้อเนี่ยนะครับเขาจะเป็นผู้ที่สันโดษอยู่ได้นะคุณกีดตูชีวิตคุณอยู่ตอนเนี้ยถ้าคุณได้รับทุกขเวทนาที่เกิดจากเป็นผู้ลีภัยอย่างเงี้ยนะลองไปเปรียบเทียบกับชีวิตในโรงแรมห้าดาวหรือหกดาวครับนะตอนที่แอนเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องขอปรงอปัดเป็นเรื่องความชั่วของตัวเองที่เรามาเปิดเผยได้สมัยก่อนนะเราไปทํางานคุณหมอแล้วงไปอยู่โรงแรมหกดาวเจ็ดดาว คือถ้าโรงแรมหกดาวไม่มี<อ>เนี่ย<อ>เขาจะไปให้อยู่5้าดาวสดาวเนี่ยเขาก็ไม่ให้เพราะเขาต้องไปให้เราอยู่เจดดาวเพื่อที่อะไรคุณไปทํางานนะ<อ>คุณไปทํางานเนี่ยคุณต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่ยออางเงี<อ>้ผ้าช็ดตัวต้องเปลี่ยนทุกวันไม่ได้เปลี่ยนทุกวันหรอกเช้าอาบน้ําทีหนึ่งก็เปลี่ยนเย็นอาบน้ำทีหนึ่งก็เปลี่ยนย น, น, นั et, ้นเบสชีสไอผ้าปูนอนเนี่ยเขาไม่มาเปลี่ยนให้เราก็โทรไปด่าเขาว่าต้องให้เขามาเปลี่ยนให้นั้นเะ<อ>หลืออย่างเดียวที่เขาไม่ทําคือใส่รองเท้าให้เราครับแล้วคุณจะมากระฟกราฟียในสิ่งที่คุณไม่ได้ อย่างเช่นเวลาเราไปเครื่องบินอย่างเงี้ยนะเขาให้อาหารคุณมื้อหนึ่งให้น้ําคุณแก้วหนึ่งใช่ไ่มคนที่ขึ้นเครื่องบินบ่อยๆจะรู้ว่าคุณขอเพิ่มได้คุณก็ขอเพิ่มอย่างนั้นขอเพิ่มอย่างนี้ขอนั้นเพิ่มขอนี่เพิ่มแล้วพวกเขาเรียกอะไรแอร์สเตทหรือว่าสจ๊วเนี่ยนะเขาก็จะเกิดความไม่พอใจว่าเอ้นี่ทำไมมันขอมากเหลือเกินมาตรฐานไม่เอาเอาสิ่งที่เกินมาตรฐานมันไม่ได้เราไม่มีเวลาอืนึกออกไหแล้วไม่มีเวลามาคิดเรื่องพวกนี้เลยถ้าเราไปทํางานจริงๆเนี่ยคนที่เดินทางบ่อยๆ จะรู้ว่าเวลาที่เราไปทํางานเดินทางบ่อยๆมีงานมากเนี่ยนะเราจะไม่มีเวลามาคิดเรื่องพวกนี้น ะ, ะตอนแรกๆที่ทออกมาเริ่มทํางานเนี่ยนะงานเราไม่มากใช่ไหมเราก็มาคิดเรื่องเนี่ยเล็กๆน้อยๆเปลี่ยนผ้าเ<ะ>ช็ดตัวหรือยังอันนี้ทําหรือยังทำไมอันนี้ไม่มีอันนี้ต้องกินตรงนี้นะอย่างนั้นต้องจัดอย่างนี้ทำไมทําไมเธออย่างนี้โทรไปหาผู้จัดการเขามาโถ เ, เวลางานมากเข้าจริงๆนะคุณไม่มีเวลามาคิดเรื่องพวกนี้เลยกินข้าวยังไม่มีเวลาจะมีเวลาจะกินนอนยังไม่มีเวลาจะนอน กลัมาถึง้องแรมจะนอนเนี่ยเวลาสมชั่วโมงคุณจะไปอะไรมาเขาจะเปลี่ยนเบสชีทหรือไม่เปลี่ยนเปลี่ยนผ้าปูนอนอหรือไม่เปลี่ยนมันไม่มีเวลาเลยครั บ, รบเพราะงานเราอยู่ต่อหน้ามันต้องทำและนี่คืองานข้างนอกเวลาคนที่เขาทํางานมาก ๆ, ๆเขาจะต้องจัดการเวลาอย่างนี้แล้วไอ้ที่อยู่ในจิตของเราเนี่ยโอ้ยเราหน้าหน า, นาไม่เคยไปคิดว่าเราจะต้องตายนืมากังวลอยู่แต่เรื่องงานและมีอะไรพวกนี้นะซึ่งถ้าเรามาจิต มีจิตแบบที่เราคิดว่าเราจะต้องตายแล้วเนี่ยนะทํางานไปเราก็ไม่เครียดไม่ใช่หมายความว่าคุณลาออกจากงานเลยแล้วก็มานั่งอยู่บ้านเฉยๆหลับตาแล้วรอวันตายมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ครับอันนี้จะเป็นสุดตรงอีกข้างหนึ่งซึ่งบุญเจ้าไม่ได้สอนให้อยู่ในสมาธิทิิไม่ได้สอนให้ทําอย่างนั้นแต่ให้อยู่ในสมาธิทิถิก็คือทําหน้าที่ไปตามที่สมควรนะครับใช่ใช่แล้วเราจะเป็นผู้ที่ผาสุขอยู่ได้ครับแม้ไม่ว่าจะทําอะไร การงานอะไรต่างๆทางโลกนะครับอืมครับแล้วก็อีกประการมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมในในเรื่องนี้คุณหมอพงศ์ครับก็คําถามคือท่านตอบไปเกือบหมดแล้วนะครับคือมีนิดนึงมุมว่าเทําไมต้งเกิดขึ้นเป็นแสนเป็นร้านคนพร้อมๆกันนะครับว่าลักษณะอย่างเรื่องน้ําท่วมต่อเนื่องเพราะว่าเป็นคําถามสองคำถามก็เป็นน้ําท่วมหมดเลยก็คงเป็นลักษณะนั้นแหละอืมันก็เกิดได้เนาะครับ เกิดได้แล้วก็ดับไปได้แก้ไขได้แต่ที่แน่แนแนคือจิตเราต้องรักษาเองธรรมะไม่สามารถเอามีดวิเศษผ่าเปิดอกแล้วก็เข้าไปจูนแก้ไขปรับปรุงจรให้เธอคิดอย่างนั้นเธออย่าคิดอย่างนี้เราทไไําไม่ได้เราทําได้เราทําแล้วครับพุทธเจ้าก็ทําไม่ได้ท่านพุทธเจ้าทำได้คงทําแล้ว แ, แต่มีเมคเนตมีเครื่องมือกลไกที่จะสามารถทําให้เป็นอย่างนั้นได้นั่นคืออริยมรรคของแปดนั่นคือสติที่เราจะต้องรักษาจิตนี่เป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวเพื่อความก้าวล่วงหมดจดบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย นะเพื่อความละซึ่งความโสกความรำไนลาพันธ์เพื่อ ท, ำทํำนิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติปครับทางออกไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยไมไ่อยู่ข้างนอกไมไ่อยู่ที่ทีวีไม่อยู่ที่เฟซบุ๊กไม่ได้อยู่ที่โทรศัพท์มือถือแต่อยู่ที่ปลายจมูกของเราออยู่ที่ปลายจมูกเราย้อนเข้ามาในตัวนะมีสติอยู่ในลมหายใจรักษาจิตของเราให้ดีวิ่งไปทางไหนจะหนีไปทางไหนดูให้ดีมีสตินี้เราจะเห็นได้มีดวงตาธรรมะได้นะจะเอาอะไรไปบ้าง อะไรจะทิ้งไว้จะโทรหาใครต่ถ้าเรามีสติอย่างนี้มีจิตอย่างนี้เราจะรู้ว่าเราจะโทรหาใครได้เราจะรักษาอะไรได้นะเราจะเก็บอะไรไว้ก่อนเก็บอะไรไว้หลังจะไปหาใครเราจะรู้นะแค่มีสติอย่างนี้เท่านั้นเองหมอรัตพงศอครับคอย่างนี้ในใน ว, วิกฤตของบ้านเมืองก็ให้มองกลับว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้พัฒนาตนเองอย่างเงี้ยได้มาเจริญสติอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมครับถ้า<ผ> ม, มีวาเวลา ดีถ้ามีถ้ามีเวลาพอมีเวลาพอที่คิดเรื่องนี้ก็สามารถคิดอย่างนั้นได้ให้เป็นเป็นกุศลธรรมได้ใช่ครับนี่คนที่เขาโดนไฟดูดตอนน้ำท่วมนะหมอรพงศ์เขามีเวลาแค่ประมาณสิวินาทีกว่าเขาจะตายนะตอนที่โดนดูดอยู่ก็คงจะไม่รู้ว่าตัวเองโดนดูดจนกระทั่งห้าวินาทีผ่านไปแล้วโอ้ฉันโดนไฟดูดนี่โอ้ทําไมมือชาโอ้ทำไมทั้งตัวเหมือนถูกเคมะทิ่มเอาแล้วทำไมเป็นอย่างนี้เขาไม่มีเวลามาคิดว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นนะเขาไม่ควรจะต้องคิดอย่างนั้นนะ เขาควจะคิดว่าเอ๊ะนี่มันอะไรทําไมทุกเวทนาที่เกิดขึ้นกับฉันเป็นอย่างนี้เอ๊ะมันไม่เที่ยงนะเราควรจะปล่อยวางอ่าแล้วเราอยู่ที่อะไรมีสติอยู่ในกายเอากายมันมันมันมันไม่รู้สึกตัวแล้วมันจะทำไงเอามีสติอยู่ในเวทนาเอาเวทนาก็ไม่รู้สึกแล้วเอามีสติอยู่ในจิตนะจิตเราอย่างนี้ปล่อยวางซะเขาจะไปดีได้เผลอๆเป็นผ้ารันเลยครับเอออื โอ้ยากยากนะครับกรณีไฟดูดนี่เพราะว่ากายเหมือนถ้าไม่ถูกฝึกมาอย่างดีอ๋อนาโตฮงเรายังไม่โดนไฟดูดเราไม่รู้หรอกใช่ครับก็ประมาสมัยเด็กๆนะตอนเด็กๆเลยนะประมาณอายุห้าหกขวบโยมแม่เคยเล้าใฟังตอนนั้นน้ำท่วมปี 2-6 ครับ้านประมาณน้ำท่วมเละเลยแล้วก็เราก็ไปเล่นน้ำท่วมนะเด็กๆแล้วก็เนื่องจากน้าท่วมไฟดับ ไฟดับแล้วเขาก็เอาเครื่องปั่นไฟมาใช้อมันก็มีมุมที่มันมืดอยู่นะ mm hmm. เขาก็เอาไฟไปฉายแบบจอไฟนะแล้วก็ไปฉายเราก็ไปเล่นหลอดไฟไปจับหลอดไฟเราก็ถูกดูดอ mm hmm. นะถูกดูดในขณะที่เป็นเด็กอยู่แล้วคือไฟจากเครื่องปั่นไฟมันถูกดูดมันก็จะไม่แรงเท่าไหร่นะ mm hmm. เราก็รู้สึกโอ้โหคนไฟดูดนี่มันเป็นอย่างนี้นะ mm hmm. โอ้มันมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะต้องเกิดขึ้นเลยเป็นทุกขเวทนาว่าง น, นะเจ๊ อ, อืโหแล้วถ้าถูกไฟดูดแรงๆของจริงๆเนี่ยมันจะยิ่งหนักกว่านี้อีกนั่นแหละนะษคะนี้มีเรื่องหนึ่งเกี่ยวกั บ, รบเรื่องนี้แหมถ้าจะพูดแล้วก็จะจะจ ะ, จ ะ, จะทำให้ไม่เกี่ยวข้องกันกเอาเป็นว่ามีผู้ท่านผู้ฟังบางท่านถามว่า ในสัปดาห์ที่แล้วที่อาตมาพูดถึงว่าการไปกราบพระอย่างเงี้ยถ้ามากราบด้วยเหตุปัจจัยแห่งเรื่องตามหูจมูกลิ้นกายเช่น ว, ว่าเสียงเพราะเสียงหน้าฟังรูปงามหรือว่ามีความไฮเทคอะไรต่างๆแล้วมากราบเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องแล้วแล้วถามว่าจะมากราบเนี่ยจะมากราบด้วยอะไรเนีถ้าคุณจะมากราบพระเหลืองพระเหลืองมีแถบเ ส, สาริงชายแย่ๆไปกราบได้แล้วคุณจะมาหาพระเนี่ยก็ต้องมาหาด้วยการมาฟังธรรม ถ้าเราคิดว่าเออท่านผู้นี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ควรทําอัญเฉลีชใช่ไหมแล้วคุณจะไปทําอัญเฉลีบุคคลผู้นี้เนี่ยแล้วก็รู้ว่าท่านผู้นี้ไม่มีความคิดทางการไม่มีความคิดทางพย า, า, าบาทไม่มีทางทางเบียดเบียนเนี่ยผู้ชอบบอกว่าถึงแม้จะต้องห่อข้าวไปกินด้วยนะแล้วบางเดินทา ง, งไปเนี่ยเดินทางไ <Belle. S 1> กลถึงขนาดต้องห่อข้าวไปกินด้วยก็ควรจะเดินทางไปพบไปเห็นอประโยชน์อะไรไปพบไปเห็นไปพบไปเห็นแล้วก็นั่งชื่นชมอยู่แล้วก็ อย่างแข้เนี่ยเองเหรอไม่ใช่คือการเข้าไปหาเนี่ยผู้ชาย่วยังมาต่ออีกประสูตรหนึ่งเข้าไปหาแล้วก็เข้าไปนั่งใกล้เข้าไปนั่งใกล้เงียบสวบลงคอยสับฟังซึ่งธรรมะในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นไปเนี่ยก็ไปให้สำเร็จประโยชน์ในการฟังธรรม ม, มีคนมาช่วนอาตมาบอกว่าเนี่ยพระโอ้กูบาอาจารย์รูปนี้นะป่วยอยู่ที่นี่นะท่านมาอยู่ใกล้ๆเราแ ล, แล้วเราไปกราบท่านเถอะอาต <ๆ S 1> มาก็ไปคิดว่าเอาท่านป่วยอยู่แล้วแล้วจะไปหาจะไปกวนท่านทําไม ถึง好吗ถ้ายอยู่ที่คุณอยู่ที่นั่นนะนะคุณปฏิบัติ ด, ดีนะอจิตเป็นสมาธินะก็ชื่อว่าบูชาแล้วออบูชาแล้วอยู่ที่ไหนก็บูชาแล้วถ้าจิตเป็นอย่างนั้นอนะ่ะไม่สัดนใหมุนไปผิดนะมีสัมมาทิฐิมีจิตเป็นเอกคัตตานะไม่มีไอนิวรณ์ทั้งห้าชื่อว่าบูชาชแล้วออปฏิบัติบูชาใช่ ในขณะเดียวกันถ้าคุณจะไปนะคุณจะไปนะคุณมีความคิดว่าเออท่านผู้นี้ไม่มีการไม่มีพยาบาทไม่มีเบียดเบียนนะเดินทางไกลแม้ขนาดหอข้าไปด้วยก็ต้องควรไปพบไปเห็นไปให้ได้ประโยชน์นะฟังซึ่งทำเอาถ้าท่านแสดงธรรมไม่ได้แล้วคุณจะไปอะไรไปกวนเฉยเออเหงก่อไหมเพราะฉะนั้นพระป่วย ค, คุณจะไปอะไรคุณจะไปกราบท่านไปกวนท่านเหรอเอาถ้าไปคุณจะถวายทานก็ได้แต่ถ้าจะไปนั้นจะไปถวายทานก็ได้นะเอาช่วยสนับสนุนพระป่วย สมัยทามันก็ได้หลายรูปแบบโอนบัญชีก็ได้คุณไปเห็นคุณจะให้ก็ได้มันได้หลายทางเพราะเราดูตามเหตุปัจจัยน ะ, ะคือที่อาจมาพูดไปเนี่ยบทเพยียนชนะเราก็ไม่เนีย้ยเพราะฉะนอาจจะทําให้ท่านผู้ฟังบางคนเขา้าใจผิดว่าโอ้ยอย่ามามันไม่ใช่นะคือจะมาก็มาได้แต่มาแล้วไมให้สําเร็จประโยชน์มากราบท่านมากราบท่านเนี่ยหรือคุณบาอาจารย์ท่านไหนไหนเนี่ยไปกราบแล้วก็ต้องได้ฟังธรรมถึงจะดี แฟังทําแล้วหรือว่าไปสื่อสารหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเราจะมาปฏิบัติอะไรยังไงเนี่ยให้มันได้ได้ประโยชน์หลายสถานก็จะเป็นการดีอ่ะ อ, อย่างนี้นะใช okay, ่ครับเอบอีกประการหนึ่งย้อนกลับไปเรื่องที่อีกสามวินาทีจะตายนะครับนะปืนจาะหัวอยู่เนี่ยรเราจะไม่มีเวลามาคิดแบ่งเลยว่าไอ้นี่มันศีลหรือมันเป็นสมาธิหรือมันเป็นปัญญา<อ>มันไม่มีอะไรหมอและผมมันมาพร้อมกันหมดอโอ้ยฉันศีลมีหรือยังโอ้ตะกี้ฉันก็ก็อ ไปบีมดมดนะโอ้ยแล้วบอกว่าฉันจะมีเวลาเอามาเหลือแค่แค่สามวินาทีเนี่ยจะตายแล้วโอ้ยเป็นพระนี่ยังไม่ได้โปร่งอาบัติเลยจะทํายังไงมันไม่มีเวลาหรอกมาและ้วพงเราต้องรักษารจริงของเราอย่างเดียวออืหรือว่าเรายังไม่มีเวลาไปประกาศความผิด ข, ของฉันเลยเปิดเผยความผิดว่าฉันจะเป็นยังไงตั้งใจรักษาสิมันอยู่ในนั้นหมดเลยอือยู่ในสติหมดเลยอยู่ในจิตหมดเลยครับเออีอนค้ครับก็ ต้องให้ท่านผู้ฟังหรือว่าเราเราทุกท่านเนี่ยก็พิจารณาตรงนี้ร่วมกันไปนะครับใช่เพราะฉะนั้นคิดให้ดีนะคิดให้ดีว่าเราเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าอีกสิบสองเดือนคุณจะตายเรารู้ว่าอีกสิบสองเดือนเราจะตายหนึ่งวินาทีหนึ่งนาทีจากนี้ไปเราจะทำอะไรเราจะทำอะไรใน1นาทีจากนี้อีกอีกเจ็ดวันเราจะตายเรารู้ว่าอีกเจ็ดวันเราจะตายหนึ่งนาทีจากนี้เราจะทำอะไรนะ แล้วถ้าเรารู้ว่าเราจะตายเดี๋ยวนี้แล้วอีกสาวินาทีเราจะตายเนี่ยหวินาทีจากนี้เราจะทําอะไรครับไอหนึ่งนาทีของ12เดือนกับหนึนาทีของเจวันกับหนึ่งวินาทีของสวินาทีเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่ครับไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะสรุปว่าคุณต้องทําจิตเหมือนกับตอน1วินาทีที่คุณรู้ว่าสวินาทีจะตายนะแล้ว1วินาทีตรงเนี้ยทาให้มันได้ตลอดเจวันทําให้มันได้ตลอดสิบสอเดือนทําให้มันได้ตลอดชีวิตของเราที่เรามีทั้งหมด แคนนเครับจิตแบบนี้ครับในตอนที่สี่บสองนี้ก็มีเท่านี้แหละหมอรัตโมกครับครับก็สมควรแก่เวลานะครับแล้วในตอนหน้าตอนที่สี่บสามก็คิดว่าจะมาพูดถึงเรื่องความเป็นปริยัติสิกขาบทพรหูสูตพุทธวจนะที่เป็นงูพิษในเรื่องเกี่ยวกับอสสารศาสตร์แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติครับที่เป็นแง่มุมที่สนใจมากน่าสนใจมากครับอืมครับก็ถ้าท่านผู้ฟัง มีคำถามหรือว่ามีความไม่เข้าใจตรงไหนก็ส่งคำถามหรือคำแนะนำมาได้ที่เพียวธรรมะด o m คนะครับครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกลับนมสักการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูรณ์อภิปุโนงวัดป่าดอนไห่โซกรับเรียนสวัสดีท่านผู้ฟังครับ